ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พุทธศักราช2529มหาวิทยาลัยรามคำแหงถวายปริญญาปราชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พุทธศักราช2532มหาวิทยาลัยมหิดลถวายปริญญาอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พุทธศักราช2533 มหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสง์แห่งคณะสงไทยถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศพุทธศักราชสองพัรามบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมาศสาขาปรัชญาและศาสนา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 สาขาภาษาไทยพุทธศักราช2543มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ถวายปริญญาศิลปาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พุทธศักราช2545มหาวิทยายลัยมหาสารคามถวายปริญญาศิลปาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์